พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอน า, นายูวัดถ้ำกองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องประทาน น, นี้เป็นวาสนาของเราแท้ๆจะได้บรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งหรือขั้นที่สุดก็ไม่รู้สมบัติของเราก็มีหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะทําก็ได้อยู่วาสนาบา ร, รมีเป็นกรรมเราได้สร้างมาคือมูลเก่าอันนี้มันเป็นยังไงคืออาศัยมูลเก่าได้อัตภาพมาก็ได้บุญ ได้วิชาได้ศีลมาในบุญด้วยซับภายในบริบูรณ์หมดเรื่องของเก่ามันเป็นอย่างนี้บุญของเก่ามาถึงเหมือนกันกับพวกเศรษฐีเขาสแสวงหาเงินทองของเขาว่าจะเพิ่มทยอยขึ้นร้านหนึ่งสองร้านส0มสิบร้านร้อยร้านขึ้นไปนี่มันหาเอาใหม่ไปทําเอาใหม่ แมนเป็นของเราคืออัตภาพนี้อาศัยทรัพย์ของเก่าคืออัตภาพของเก่านี้บริบูรณ์แล้วมันจะทําเอาใหม่ก็ได้อยู่จะทําเอาใหม่สร้างเอาใหม่ก็ได้ให้มันเต็มรอบก็ได้ทานะบารมีศีรบารมีเนคขมบารมีเราก็ออกอยู่เป็นบางครั้งบางคราว ถึงวันอุโบสถศิลเราก็ออกเราก็เนคข ม, มะออกจากเครื่องมืดมนปัญญาบา ร, รมีเราก็ได้สดับรับฟังตัวเราก็ใช้โยนิโซค้นคว้าในเหตุในผลอยู่วิริยะบา ร, รมีเราก็อุตสาห์ทำบุญแจกทานคันติความอดกั้นต่อสิ่งทั้งปวงนี่เราก็ทำหมดบา ร, รมีสิบเราจะทำหมด บารมีสิบประการนี้ที่พระพุทธเจ้ามาแจกใจ่ายให้พวกเราเราได้เป็นผู้รับแจกแล้วแต่จะเอามาใช้เอามาทำให้เกิดให้มีสัจจะบารมีให้มันมีความสัตย์ความจริงเราจะทำก็ทำจริงๆนั่นแหละความสัตย์ความจริงอธิษฐานความตั้งไว้ว่าจะทำต้องทำจริงๆ ได้มากก็ไม่ว่าได้น้อยก็ไม่ว่าอย่าให้มันขาดสัจจะความจริงใจอธิษฐานความตั้งมั่นในใจสาสิบนาทีก็ตามสี่สิบนาทีก็ตามห้าสิบร้อยหนึ่งก็ดีนั่นเป็นบางครั้งบางคราวเอาอยู่อย่างนั้นอย่าให้มันขาดความตั้งมั่นในใจไว้ สั จ, จะความจริงใจว่าจะทำก็ทำทันทีพูดจริงๆอธิษฐานความตั้งใจไว้รู้หลักรู้ฐานไว้เราก็ไม่เผลอต้องมีสติระลึกเอาไว้เราอธิษฐานเอาไว้ไม่ให้ขาดยี่สิบนาทีก็เอานั่งทำความเพียรของเราไม่ให้ขาดเมตตาบา ร, รมีให้เต็ม การสงเคราะห์คนทั่วโลกมีอยู่แล้วอุเบกขาการวางเฉยต่ออารมณ์ชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงการภาวนาของเราก็เพื่อว่าจะอบรมจิตใจของเรานั่นแหละไม่ให้มันหลงมันคล่องไปนับพบนับชาติหลงไปตามอารมณ์อยู่ในภพชาติ หรืออดีตอนาคตแล้วน้อมเอาเข้ามาในจิตทำให้จิตเศร้าหมองทำให้จิตเดือดร้อนการที่เราทำความเพียร น, นี้เราไม่ต้องการอะไรแล้วนอกจากขัดจิตขัดใจของเราให้ขาวสะอาดเท่านั้นแหละใจมันเศร้าหมองแต่อาศัยขัดอยู่บ่อยๆขัดไม่หยุดไม่หย่อนมันก็ขาวก็สะอาดขึ้น พองใสขึ้นเพราะกิเลสคือโลภะโทสะโมหะมันหมักหมมมาหลายพพหลายชาติต้องคอยขัดคอยเก่าเพราะกิเลสเหมือนตะปูตีแฝกตีลงแน่นแต่ก็ไม่เหลือวิสัยผู้สามารถที่ตั้งอกตั้งใจจะถอนตะปูถอนไม่หยุดไม่หย่อนถอนไปถอนมามันก็ออก สั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้ามันก็ถอนขึ้นได้พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตไม่ใช่จิตว่างนะอย่าไปถือว่ามันจะว่างให้ให้เรามีสติมีสามประชัญญะรู้ตัวเสมอมันวอกแวกวอกแวกอยู่อย่างนั้นเหมือน ก, นกันกับฟองน้าเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันดับ ดวงจิตมันไม่รู้จักอะไรหมดทั้งนั้นมันต้องอาศัยเราทรมานคือเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ให้มีสติขัดเก่วสั่งสอนมันให้มันรู้เพราะมันไม่รู้นี่แหละจิตดวงนี้แหละเรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้จิตดวงนี้นะ่ะเรียกว่าอาวิชชา ขั้นแนะนำสั่งสอนมันให้มันรู้ตามความเป็นจริงของโลกนั่นแหละมันจึงได้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมัน่น้วยอุปทานว่าเราว่าจิตของเรามันปล่อยมันวางตัวอวิชาก็แม่นดวงจิตนั่นแหละท่านสอนให้อบลมขัดเก่าจิตทุกเวลาเมื่อกิเลสมันเบาบางมันหมดออกไปแล้ว มันขาวมันสะอาดแล้วนั่นแหละจิตมันแจ้งมันส่องแสงขึ้นความส่องแสงขึ้นรู้เท่าสังขารตามความเป็นจริงของมันยังไงรู้อย่างนั้นแล้วไม่ยึดไม่ถือเลิกเกิดมาชาติใดก็ดีเราไม่ใช่จะเกิดมาชาติเดียวนี้ตั้งแต่แผ่นดินเป็นแผ่นดินก็เกิดมาทิตวสาทาตุ ธรรมัติดตาธรรมะนิยามตาสัพเทสังขาราอานิจจาที่ติดธรรมตั้งอยู่ในโลกไม่ขาดโลกคือดวงจิตที่ติดธรรมตั้งอยู่จะเอาพบเอาชาติตายกันนะตายทุกวี่ทุกวันนี่เรียกว่าตายเล่นไม่ใช่ตายแท้ตายแท้เหมือนดังพระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายดับหมด ไม่มีกลับมาเกิดขึ้นอีกกิเลสไม่มีอะไรจะก่อพก่อชาติอีกความตายอย่างนั้นคือกิเลสนั่นแหละมันตายเข้าไปอยู่ในบ้านมันแหละหมดเรื่องกันหมดพบหมดชาติหมดเรื่องกันกนิพพานังปรมังสุขังความสุขไม่เจือด้วยอา m i t นิรามิตรนิรามิตรสุข นั่นแหละพวกเราให้สระความสุขทางโลกความสุขในโลกมีประมาณอันน้อยผู้มีปัญญาผู้ไม่ประมาทพึงสระความสุขทางโลกเพื่อแรกเอาความสุขอันไยบูร์คือความสุขที่ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายความสุขอันนั้นเป็นความสุขอันไยบูร์ ความสุขในโลกมีตายตายเกิดเกิดนั่นมีประมาณน้อยนิดเดียวนักปราชญ์ท่านจะว่าไม่มีเสียก็ได้ความสุขอย่างนี้เหมือนเหยื่อมันเกี่ยวอยู่ที่เบ็ดปาไม่รู้ว่าเบ็ดมันเกาะอยู่มันเกี่ยวอยู่นั่นก็ไปคาบเอาเลยติดปาปติดคออยู่อย่างนั้น นักปาดคือพระพุทธเจ้าเห็นโทษของโลกจึงมีความเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าว่าให้ปล่อยมันเสียอย่าถือมันอีกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวมันมีแต่คิดแต่อ่านหาแต่โทษมาเผาเจ้าของวางมันเสียอย่าไปไว้ท่ามันมันจะไปยังไงก็ไป ให้ทำจิตทำใจทำความรู้ไว้ให้เหมือนกับมหาปัตถีมหาปัตพีนั้นสัตว์ทั้งหลายจะมาทำดีก็ตามมาทำร้ายก็ตามมนุษย์จะมาทำดีก็ตามทำร้ายก็ตามมหาปัตถีไม่มีความหวันไบทจะทำอย่างไรก็ตาม ทำใจให้เป็นอย่างนั้นนั่นแหละผนิพานพระพุทธเจ้าว่าใครทําใจได้อย่างนั้นแล้วได้อยู่เป็นสุขถึงผนิพานทําใจอย่างนั้นแล้วจะมีทุกข์อะไรเล่ามาเผามาผานดวงจิตของเราเราไม่ถือไว้จิตพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายพอรู้เท่าแล้วจิตเป็นกลางจิตอุเบกขา จิตเป็นกลางเราจึงตั้งตรงก็สบายเท่านั้นนโยบายเพื่อจะสระคืนเท่านั้นเพื่อไม่ให้ยึดเท่านั้นไม่ให้ยึดอะไรหมดทั้งนั้นการบริจาคทานทุกสิ่งทุกอย่างสระคืนหมดการรักษาศีลก็สระคืนหมดทาไม่รู้เท่าแล้วก็ทำทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ ความชั่วร้ายนี่นะเรียกว่าไม่มีศีลเราก็สระคืนสระความชั่วนี่แหละนั่นเรียกว่าส ม, มปทานสี่สั่งว่ารับประทานมีความสำรวมระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจาและใจปหารประทานละบาปที่เกิดขึ้นละทอนปล่อยวาง อะไรมันจะดีก็ตามจะไม่ดีก็ตามมีแต่เรื่องเป็นไฟเผาหมดทั้งนั้นภาวนาประทานเรียกว่าทําให้เกิดทําให้มีสิ่งกุศลที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดสิ่งกุศลที่เกิดแล้วก็รักษาไว้ไม่ให้เสื่อมเสียไปเรียกว่าอนุรักษณาประทานอิทธิบาทสี่ ความพอใจจะละความชั่วภาคเพียรประกอบความดีให้มีขึ้นจิตตะมีจิตมีสติรักษาจิตใจของตนไม่ให้มันสายไปตามอารมณ์ภายนอกให้มันรู้สึกอยู่ไปก็ให้มันไปมันอยากไปแต่ให้สติของเรารู้อยู่ไม่ไปตามมัน ไม่เอาเก็บเข้ามาหมักหมมไว้ในจิตไม่รองรับมันต้องปล่อยต้องวางมันมีจิตฝักใฝ่อยู่ในคุณงามความดีจิตมุ่งศึกษาหาเหตุหาผลเหตุดีให้ผลดีเหตุชั่วให้ผลชั่วทำทั้งหลายไรลามาแต่เหตุอะไรเป็นตัวเหตุตัวเหตุคืออวิชชา ความโง่นั่นแหละมันไหลมาอะไรเป็นอวิชชาจิตโง่นั่นแหละเป็นอวิชชาอะไรเป็นสนิมของอวิชชามันนั่นแหละมันเป็นสนิมของมันเองเหมือนกันกับเหล็กเหมือนกันกับดาบและมีดคันไม่รับมันอยู่นานๆใครเอามาใส่ล่ะสนิมนะ่ะ มันก็เกิดขึ้นของมันเองมันค้นเอามาเองหมักหมมทำให้เกิดสนิมจนว่าจิตดำจิตมืดนะมันเองแหละเป็นสนิมของมันเมื่อทำสนิมให้มันออกจากดวงจิตนี่แล้วจิตตังทันตังสุขาวหังให้เป็นผู้มันพยายามหัดทรมานสั่งสอนมัน อย่าไปปล่อยตามใจมันมีความรู้เท่ามันอย่าไปตามใจมันหัดให้มันอยู่ในอำนาจของสติสติควบคุมขัดไปขัดมามันก็ขาวหรอกจิตขาวจิตสะอาดจิตท่องแผ้วนั่นแหละมนาสาเจประสันเนนะาสติวากโรติวา จิตเจ้าของควบคุมขัดเก่าให้ดีแล้วจิตพ่องแผ้วดีแล้วจะพูดอยู่ก็ตามมีความสุขเท่านั้นจะทำงานทำการอยู่ก็ตามมีความสุขทั้งนั้นตะโตนังสุขมณเเวติมีแต่ความสุขเท่านั้นแหละติดตามผู้นั้นมีแต่ความสุขทั้งหมดทุกอิริยาบถ ยืนเดินนั่งนอนช้ายาวะอนุปายินีเหมือนกันกับเงาเทียมตนไปไม่ละไม่เว้นความสุขนั้นบาปก็อย่างเดียวกันเพราะความไม่รู้เท่านำไปมานาสาเจปฉุดเถนะจิตมีโลภะโทสะโมหะเผาผานอยู่แล้วก็ไม่มีสติ จะพูดอยู่ก็ตามมีแต่ความทุกติดตามเขาไปทำการงานอยู่ก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นตะโตนังทุขะมะนะเวติจักกังวะบาหะโตปัตังความทุกย่อมนำเขาไปเหมือนกันกับล้อหรือกงล้อกงจักอันโคเทียมแอกไปอยู่แอกนั้นหนักทับคอมันไปอยู่ ทั้งหลังทั้งตีนมันกงล้อก็ยันตีนมันไปอยู่เล็บลุดไปทางคอมันก็แอกถูคอมันไปอยู่จนคอเปิกจิตไม่ดีเป็นอย่างนั้นมนาสาเจปดุจเทนะจิตอันเสบปทุสายอยู่มีแต่ความทุกเท่านั้นความทุกประจํามันไปเหมือนกับกงจักกงล้อ เหยียบรอยเท้าโคไปอยู่อย่างนั้นแล่นไปอยู่อย่างนั้นจนแตกแตกแล้วก็มีทุกติวิบัติเป็นที่ไปพวกเรามีการสดับรับฟังแล้วให้พากันทําเอาอย่ามีความประมาทผู้อื่นไม่ได้ทําจิตของเราเศร้ามองดอกผู้อื่นไม่ได้ทําให้จิตของเราค่องแคล่ว เราเองเป็นผู้ทาให้ผ่องแผ้วเราเองเป็นผู้ทาให้จิตของตนเศร้าหมองผู้อื่นช่วยไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ท่านทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้น